พระครสะสาวก พ, พาภิกษุห้าร้อยรูปกลับครั้งนั้นพระเทวทัตมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่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 เมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะได้กล่าวดังนี้ว่าท่านเทวทัตท่านอย่าเพิ่งวางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วพระเทวทัตกล่าวว่าท่านอย่าคิดเช่นนั้น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 แม้ท่านพระมหาโมคคลาณะก็ถือเอาอาสนะหนึ่งนั่งหน้าที่สมควรครั้งนั้นพระเทวทัตชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาสิ้นราตรีไปเป็นอันมากได้เชื้อเชิญท่านพระสารีบุตรว่า ท่านสารีบุตรภิกษุสงฆ์ยังไม่ง่วงท่านสารีบุตรท่านมีระถาของท่านภิกษุทั้งหลายเข้าใจง่ายแต่เราเมื่อหลังเราจักเอ็นพักท่านพระสารีบุตรรับคำพระเทวทัตจากนั้นพระเทวทัตปูสังคาติสี่ชั้นจําวัดโดยข้างเบื้องขวาพระเทวทัตนั้น เน็ดเหนื่อยจนเผลอสติไม่รู้สึกตัวครู่เดียวก็หลับไปลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวตักเตือนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรมีกถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอาเทศนาปาฏิหารท่านพระโมคคัลลานะกล่าวตักเตือนพร่ำสอนด้วยธรมีกถาที่เป็นอนุสาสนี ประกอบด้วยอิทธิปาฏิหารครั้งนั้นแหลธรรมจักสุกอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับการกล่าวตักเตือนพร่ำสอนด้วยธรรมีกถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอิทธิปาฏิหารจากพระโมคคัลลานะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 าพาภิกษุประมาณห้ารอรูปไปพระเวรุวันเวลานั้นพระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยคําว่าท่านเทวทัตลุกขึ้นเถอะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะพาภิกษุไปหมดแล้วท่านเทวทัตเราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตร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 ที่ประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์อุปสมบทใหม่เลยสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้ภิกษุที่ประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์แสดงอาบัติทูลใจสารีบุตรก็เทวทัตปฏิบัติต่อเธออย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า พระเทวทัตปฏิบัติเหมือนพระผู้มีพระภาคคือชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นรื่นเริงด้วยธรรมีกถาสิ้นราตรีเป็นอันมากแล้วได้เชื้อเชิญข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุสงฆ์อย่างไม่ง่วงท่านสารีบุตร ทำมีคาถาของท่านภิกษุทั้งหลายเข้าใจง่ายแต่เราเมื่อหลังเราจักเอนพักครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสะใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ชายป่าโขลงช้างอาศัยอยู่ใกล้ๆสัตนั้น ช้างเหล่านั้นลงไปในสระเอางวงถอนเง้าและรากบัวล้างให้สะอาดจนไม่มีโคลนตมแล้วเคี้ยกินงาและรากบัวงาและรากบัวเป็นอาหารบำรุงผิวพรรณและกำลังของช้างเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ล้มหรือไม่ได้รับทุกข์บางตายภิกษุทั้งหลาย ส่วนลูกช้างทั้งหลายเอาอย่างช้างใหญ่พากัะลงสักนั้นเอางวงถอนเง่าและรากบัวแล้วไม่ล้างให้สะอาดเคียวกิ่นทั้งที่มีโคลนตมเง้าแล้รากบัวจึงไม่บำรุงผิวพันธุ์และกาลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงล้มและได้รับทุกปางตาย ภิกษุทั้งหลายเทวทัตทำเรียนแบบเราจะเสียชีวิตอย่างน่าสมเพชแล้วได้ตรัสประพันธ์พระคาถาว่าเทวทัตทำเรียนแบบเราจะเสียชีวิตอย่างน่าสมเพชเหมือนลูกช้างเคี้ยกินเง้าบัวเปื้อนโคลนตมแล้วจึงล้มไปเพราะทำเรียนแบบช้างใหญ่ที่ขุดดิน เคียวกิ่นเง่าบัวเล่นอยู่ในสักใหญ่ฉะนั้น